โอกาสลวงพระกลมพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อนสัตมิต ท, <c oughs> ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านอเราก็นักปฏิบัตกิก็ทั้งกลุ่มเก็บมารม4ีลวันเนาะแล้วก็กลุ่มหมอแล้วก็กลุ่มประจําเดือนเจ็ดวันนะก็ได้มาร่วมกันทำวัดกันเนาะแล้วก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าส่โตในครั้งนี้เนาะ การที่เราได้เดินทางมาปฏิบัติที่วัดป่าสุตโตรนี่ก็เป็นโชคดีของเราเนาะไปเป็นสถานที่ที่เราเราเจริญสติปัฏฐานกันก็เรียกว่าเป็นสถาบันสติปัฏฐานเนาะทําไมเราจะต้องมาเจริญสติเพราะเหตุอะไรนะเพราะว่าในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้แล้วนะมันก็มีแต่ความทุกข์ใช่ไมืมดูอย่างเด็กนะเกิดมาเป็นเด็กทารกนี่เกิดมาปุ๊บนี่ร้องไห้เลยนะเราจะไม่เคยเห็นเด็กเกิดมาแล้วหัวเราะเลยใช่ไหม นะหรือแม้แต่คนตายนะเราตายคนตายทุกคนนะ่ยก็ไม่มีใครหัวเราะเวลาเราตายนะมัมีแต่คนร้องไห้ใช่ไหมเพราะมันก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นใช่ไหมคือกายและใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะกายมันก็อย่างเงี้ยใช่ไหมเกิดแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายบางคนก็ตอนเนี้ยจะปวดเมื่อยรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกหิวรู้สึกง่วงรู้สึกเบือ่อรู้สึกเพลียนะอันนี้ก็คือความทุกข์ทางกายใช่ไหที่เราประสบตอนนี้ใช่ไหม นะความทุกข์ทางใจก็มีบางที่เรารู้สึกว่ามันมันเหงามันเครียดนะมันอาจจะมีความไม่พอใจนะหรืออาจจะมีความทุกข์ใจต่างๆ น, นี่คือความทุกข์ทางใจนะเพราะฉะนั้นความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะความทุกข์เรียกเป็นอริสัตยคือทุกข์ขัดนะเป็นสิ่งมีอยู่จริงนะสิ่งเหล่านี้เราจะหลีกเลี่ยงไปไม่พ้นเลยนะคราวนี้เราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรนะ เราจะอยู่กับเขาได้ก็คือเรารู้จักรู้จักกายและใจนี่แหละมันมีความทุกข์อย่างไรแล้วเราก็อยู่กับเขาได้ใช่หไหมเราก็อยู่ในการตามรู้นั่นเองนะตามรู้กายตามรู้ใจเนี่ยความทุกข์ก็จะน้อยลงนะการนี้การตามรู้กายรู้ใจทําให้ความทุกข์น้อยลงได้อย่างไรนะคือความทุกข์กายในยจริงๆแล้วเขาไม่ได้หมดไปหรอกแต่เขาก็น้อยลงไปได้นั่นเราก็เป็นการบรรเทาบรรเทาทุกข์นะความหิวเราทานอาหารหิวแล้ว อิ่มก็หิวใหม่นะง่วงไปนอนก็ง่วงใหม่ s, little, little dans, ใช่ไหมเดี๋ยวก็อากาศร้อนเดี๋ยวก็อากาศหนาวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราเมื่อยก็ลุกขึ้นไปเดินเดี๋ยวเดินเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่นี่คือการบันเทาส่วนความทุกข์ทางใจนี่มันเป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้นะมันแก้ให้หมดความทุกข์ในทางใจนี้ได้จริงๆเหมือนกับพระเจ้าท่านก็แก้ความทุกข์ทางใจได้แล้วพระหัตถ์ท่านก็แก้ความทุกข์ทางใจได้แล้วเนาะเพราะนั้นท่านก็มีแต่ความทุกข์ทางกายแต่ความทุกข์ทางใจท่านไม่มี นะเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือเราตามรู้กายรู้ใจเพื่อที่จะแก้ความทุกข์ในทางใจนี่แหละเนาะแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆความทุกข์ทางกายก็จะเบาลงไปนะมันก็เหมือนกับว่ากายกายมันก็เป็นอย่างเชนนั้นเราก็ความทุกข์ทางกายก็จะเบาลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่เรามาแก้ทุกข์นั่นเองแก้ทุกข์ทางกายและใจโดยการปฏิบัติเจริญสติฐานสี่ คันนี้ปฏิปทานสีที่เราได้สวดไปเมื่อตอนเช้านั้นก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดกับชาวหมู่ชนชาวกุรูบอกว่าเริ่มต้นอนาปาก่อนนะในทางกายนี่แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวนี้ก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงนะมันเป็นการที่เรียกว่าเรารู้ว่าขณะนี้เราหายใจ คือจริงๆแล้วเราหายใจอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้นะแต่เราก็รู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละมันไม่ได้เป็นการดัดแปลงลมหายใจนะคือพระเจ้านี่จริงๆแล้วท่านฉลาดมากนะคือให้กลับมารู้ความจริงในในตัวเราเท่านั้นเองนั้นรู้ทางกายนี่ก่อนนัรู้ความจริงในทางกายนี่ก่อนลมหายใจก็คือทางกายเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราอยู่กับกายเนี่ยเราจะอยู่ด้วยความไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นการอยู่ด้วยความเคยชินอยู่ด้วยความหลง อยู่ได้ขณะนี้เราไม่รู้กําลังทําอะไรนะเช่นตอนนี้เรานั่งเนี่ยเรารู้ไหมว่าเรานั่งใช่ไหมเนี่ยพอจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเรานั่งพออาจจะมาทักปุ๊บก็เลยรู้ว่าเรานั่งใช่ไหมจริงๆเราก็ไม่รู้ในตรงนี้เพราะจริงๆพระเจ้าให้กลับมารู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรมากกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าในอิริบทบพากบอกว่าอยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งรู้นั่งนอนก็รู้ว่านอนเนาะอันนี้ก็เป็นความจริงนะความจริงก็คือจริงๆเราเราก็เดินมาตั้งตลอดชีวิตแล้วล่ะ ใช่ไหมแต่เราเดินด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่นะเดินเนี่ยด้วยความเคยชินก็ไม่รู้ว่าเราเดินหรอกใช่ไหมก็คือเดินไปตามอัตโนมัติที่เราเคยเดินนั่นแหละคือไม่ต้องเด็กๆแล้วมันก็ฝึกเดินมามันก็เดินมางั้นตลอดนะก็ไม่เคยรู้ว่าเดินเลยนี่คือความจริงที่เราไม่รู้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินให้รู้ว่าเราเดินนะอันนี้คือสิ่งที่ว่าเราสามารถทําได้นะมันไม่ใช่ว่าคือสิ่งที่พระเจ้าแสดงทําในตรงเนี้เป็นการที่เรียกว่าเรานําไปใช้ได้เลยไม่ใช่ว่า ท่านแสดงเราไปปฏิบัติที่วัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมใดๆแต่เป็นการแสดงกลับมาที่ตัวเรานี่แหละเพราะสิ่งเหล่านี้เ ร, เราเราทำได้อยู่แล้วคือเราทําเป็นปกติอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องทําต่อไปตลอดชีวิตนะมันจึงเป็นคอร์ส ต, ตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าเป็นคอร์สเจ็ดวันหรือว่าสี่ิบวันเนะาะนีคราวนี้นี่ตรงนี้นะกลับมารู้ความจริงในตรงนี้นะหลังจากนั้นพระเจ้าบอกว่า ในสัมผัสบบพระก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีบอลสังาติอุจระปั ส, สวะหรือดื่มกินพูดคิดลิ้มเคี้ยวต่างๆก็ให้รู้ไปในขณะนั้นตามที่เขาเป็นอยู่อันนี้ท่านก็ให้เรารู้ในชีวิตประจาวันเรานี่แหละใช่ัถ้าไม่ได้บอกเรื่องปแปลกๆเลยก็คือเราเคยทำอย่างไรก็ทาเช่นนั้นเราอ า, อาจจะเคย ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํานี่คือชิพประจำวันถ้าเราให้กลับมารู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะกําลังแปรงฟันกําลังล้างหน้านเป็นเรื่องง่ายๆคือพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเราทําด้วยความไม่รู้ตัวนะเราทําด้วยความหลงไปทําด้วยความเคยชินความเคยชินนั่นแหละก็คือความหลงนะหรือทําไปเราคิดไปด้วยนั่นก็คือความหลงนะมันก็กลับมาสู่ขณะนี้เท่านั้นเองว่าออปัจจุบันนี้เราทําอะไรอยู่นะตรงนี้ เพราะจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันมีแค่ณขณะเดียวนะขณะก็ค like ือขณะนี our our our ้นั่นเองนะขณะนี้หรือเดี๋ยวนี้อันนี้คือความจริงของชีวิตนะเราจริงๆแม่มีแค่ขณะเดียวเราจะไม่มีวันพรุ่งนี้นะเพราะวันพรุ่งนี้มันไม่เคยมีพรกาเมื่อเราถึงวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นวันนี้ไปแล้วนะหรืออดีตเราก็ไม่มีนะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ว่ามันก็อยู่แค่ในความคิดเท่านั้นเองนะในความจําเมื่อวานนี้มันก็ไม่มีนั่นแหละ เมื่อวานนี้ก็มีอยู่ในความจําหรือความคิดเราเท่านั้นเองนะแต่จริงๆนี่เรามีขณะนี้ชีวิตเราจริงๆมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองคือขณะนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขณะนี้คือความจริงของชีวิตสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้คือความจริงใช่ไหมเราเรานั่งขณะนี้นะเราไม่ต้องคิดว่าเรากำลังนั่งใช่ไหมแต่ว่าความจริงก็คือเรากําลังนั่งก็คือเราแค่รู้ว่าเรากำลังนั่งก็ถูกต้องก็ใช้ได้แล้วเนาะแต่ว่าเราคิดว่าเมื่อวานนี้เรากินข้าวกับอะไรนะอันนี้ต้องอาศัยความคิดใช่ไหม หรือพรุ่งนี้เราจะทํำอะไรก็คือต้องใส่ความคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอดีตหรือเป็นอนาคตนั้นเราต้องเป็นความคิดทั้งนั้นเลยแต่การที่เราอยู่กับปัจจุบันได้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องคิดแต่ว่าเป็นแค่รู้เท่านั้นเองะครา้นี้เราจะรู้อย่างไรก็คือกลับมารู้สึกตัวขณะนี้เรานั่งเรารู้ไ้ไม่ว่าเรานั่งถ้าเรารู้ขณะที่เรานั่งนี่แหละแสดงเรามีความรู้สึกตัวแล้ว หรือขณะนี kind of ้เราจะยกมือสร้างยังหวะอยู to to that that ่เรารู้ไหมขณะนี้กำลังสร้างยังหวะอยู่นะถ้าเรารู้ขณะนี้กำลังสร้างยังหวัดอยู่นี่แหละคือการรู้สึกตัวแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ต้องใส่ความคิดนะเป็นแค่การรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เราเรารู้เนี่ยมันจึงไม่ไม่ต้องอาศัยความคิดมันก็ว่าคิดก็ไม่รู้รู้ก็ไม่คิดใช่ไหมเมื่อเรารู้เราก็ไม่ต้องคิดนะเราก็อาศัยแค่ความรู้เขาเรียกเป็นการสัมผัสรู้ก็คือเป็นปัจจุบันในขณะจริงนะไปบันตรงนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นในเฉพาะหน้าเรา มันจึงไม่ได้อาศัยความคิดอาศัยความรู้เพระหลวงพ่เทียนก็เลยให้เราอยู่กับตัวรู้ให้เยอะๆนะถ้าไม่บอกว่าเราอยู่กับตัวคิดแต่ก็อยู่กับตัวรู้ก็คือออกจากความคิดมาเปี่ยมตัวรู้เพราะขนาดใดที่เราอยู่ตัวรู้นั่นคือการอยู่กับปัจจุบันและการอยู่กับปัจจุบันนั่นก็คือการเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนาะแต่ในขณนะเดียวกันหลวงพะเทียนก็ไม่ได้ห้ามความคิดนะท่านจะไม่ห้ามความคิดเพราะว่าท่านบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ท่านเลยบอกว่าอย่าไปเพ่งไปจ้องนะวางกายกายคายวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้อง เพราะาถ้าเราไปคอยเพ่งไปจ้องก็คือเราจะพยายามนะบังคับให้ให้จิตใจเรานะตามรู้ไปเรื่อยๆไปประคองตัวรู้เรายกมือแล้วก็จะไปไ ป, ประคองตัวรู้ให้รู้นานๆนะให้รู้แบบไม่ให้เคลื่อนไปไหนเลยอันนั้นเป็นการไปเพ่งไปจ้องเรานะหลวงพ่อเทียมบอกว่าอย่าไปเพ่งนะท่านให้รู้ตามความเป็นจริงก็คือหลงได้หลงหลงได้ก็กลับมารู้ใหม่นะยิ่งหลงนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้คือยิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองนะ เราหลงไป10ครั้งคิดไป10ครั้งแล้วเรารู้ทัน89ครั้งนี่แสดงว่าเออสติเราดีแล้วนะสติเราตื่นแล้วนะสติเราทํางานได้ได้ดีขึ้นใช่ไหมจากเมื่อก่อนเมงที่เราคิดไป5้าเรื่องสิเรื่องเราก็ไม่รู้เราคิดก็เราก็ไหลไปในความคิดแต่ตอนหลังเรามีสติแล้วเราจะเริ่มเห็นความคิดแล้วเออมันมันไหลไหมนะเราเริ่มเห็นมันไหลแล้วเพราะเราจึงไม่ห้ามความคิดเราก็กลับมาดูอขณะนี้อา่าคิดแล้วเรารู้ทันไหมตรงนี้สําคัญกว่านะคิดแล้วเรารู้ไหม คิดแล้วกลับมาได้ไหมคิดแล้วกลับมาสู่ฐานกายมารู้สึกตัวอีกครั้งได้ไหมนะตรงนี้มันมันจะทําให้จิตมันตื่นนะนะมันเป็นสิ่งที่ว่าเมื่อไม่ห้ามความคิดแล้วเนี่ยมันการปฏิธรรก็จะง่ายนะแต่ถ้าใครไปคอยห้ามความคิดให้จิตสงบนะอันนี้มันกลายเป็นเรื่องยากไปเลยเพราะจิตมันต้องมีหน้าที่คิดพอเราไปห้ามเขาเขาก็จะอึดอัดนะเขาก็รู้สึกว่ามันมันเป็นความขัดเคืองใจนะมันเป็นการที่มันไม่สบายใจนะมันทําแล้วมันก็จะยากลําบาก แตไม่เป็นไรคิดแล้วก็ไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวใหม่นหละจิตมันจะตื่นนะเราเห็นความคิดมันเกิดดับได้ง่ายๆใช่ไหมเนะียเพราะฉะนั้นในประการแรกหลวงประเทมบอกว่าเออนะอย่าไปเพ่งไปจ้องเขานะแล้วต่อมาท่านก็บอกให้เรารู้เฉยๆนะรู้เฉยรู้เฉยก็คือการที่เราประการแรกในเราฝึกใหม่เราจะไปหาเหตุผลอะไรเยอะว่าเออทําไมวิธีการไปรบัติอย่างนี้ทำให้มันเหมือนที่อื่นนะไปที่อื่นปุ๊บก็ให้นั่งสมาธิอ่านะ ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือภาวนาพุโทโธสัมาระหังยุบหนอพ้องหนอกันะเขานั่งสมาธิกันดูแล้วสวยงามสง่างามมีความสงบแล้วทำไมเรานั่งยกมืออย่างนะียกมือไปยกมือมาดูแล้วนะยังก็ไม่สงบนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่ามันถูกต้องไหมนะอันนี้ให้ตัดความคิดไปเลยนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ก็บอกแล้วในสติปัฏฐาน4ี่บอกว่า คู่แขนเหยียดแขนก็ให้รู้นะเนี่ยตรงนี้ก็คือการคู่แขนเหยียดแขนก็ให้รู้นั่นเองนะอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการเจริญสติปัญฐานที่ถูกต้องซะด้วยนะเพราะเราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องเอาอีกต่างหากนะครับนะเป็นการตามรู้ตามความเป็นจริงเนาะครา้ น, นี้เนี่ยเมื่อเราตัดความสงสัยไปได้แล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็คือเราเร า, เรามีความาศรัทธมีความเชื่อในวิธีการนี่แล้วคือ เ, เปิดใจรับแล้วมันก็จะง่ายนะครับ มีเวลาน้อยถ้าเราไม่เปิดใจรับนะมันก็ไม่ได้ผลเนาะเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจรับอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกให้ยกมือสร้างหยังหวะก็ยกมือไปนะทําไปแล้วเราจะเข้าใจเองว่าเ อ, อจริงๆแล้วมันทําแล้วมันดีนะ <c oughs> ทําแล้วเดี๋ยวเนี่ยคนมาเจริญสติกันมากมายเลยที่หลวงปเทียนนะโอ้โหคนมากันเยอะแยะเลยนะมันเพราะว่าต้องดนะีถ้าไม่ดีก็คนก็ไม่มาทาั้งทอยู่ในป่าในเขาใช่ไหม อันนี้ก็แสดงว่าเป็นของจริงนะถ้าคนที่เคยปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าออตรงนี้มันทําแล้วมันก็ได้ผลตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจริงๆแล้วถ้าเราไม่ต้องยกมือก็ได้นะเราอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้ไปล้างหน้าแปรงฟันเราแปรงฟันสัก5นาทีนะไปซักผ้าสักสินาทีนะไปกวาดบ้านสักสินาทีนะเสร็จแล้วเราจะทําอะไรนะแล้วก็จะอยู่นิ่งๆก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อนะมันก็กลายว่าไม่ไม่ต่อเนื่องกัน หลวงพระเถรีก็เลยให้ทำไปต่อเนื่องก็คือมาสร้างจังหวะนี่แหละเป็นการให้รู้สึกตัวต่อเนื่องนะนี้ก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าให้เรารู้รู้ตัวต่อเนื่องกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆเราไปทําอะไรให้ต่อเนื่องก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าเราก็ไม่ต้องมาสร้างจังหวะก็ได้แต่ว่าเราก็ทําแล้วมันก็แค่มันก็จะจบนะมันก็จะหยุดแล้วเราก็ไม่รู้ทํำอะไรต่อเพราะฉะนั้นการที่เราทําต่อเนื่องก็คือมาสร้างจังหวะนี่แหละหรือไม่ก็เดินจงกลมเนาะนะครั้นี้ก็คือรู้เฉยนะเรายกมือก็รู้อ่า มีการเคลื่อนก็มีเจตนาในการเคลื่อนนะถ้าเราไม่เจตนาขึ้นก็กลายเป็นทําด้วยความเคยชินเป็นอัตโนมัติมันก็จะไม่รู้สึกตัวก็จะเป็นความหลงไปเองแล้วก็มีเจตนาในการเคลื่อนการหยุดนะหรือการกระทบเราก็รู้ไปนะมีเจตนาเราก็จะเกิดการไกลื่อนไหวใจรับรู้ขึ้นมาการที่ใจรับรู้นี่แหละคือการอยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าเราไกลขึ้นไหวก็จริงแต่ใจไม่รับรู้เนี่ยมันกลายเป็นอัตโนมัติไปหรือกลายเป็นความเคยชินนั้นเป็นความหลงแต่เมื่อไกลขึ้นไหวปรั๊บใจรับรู้นี่แหละ นี่คือความรู้สึกตัวนะสังเกตดูนะความรู้สึกตัวก็คือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เพราะเราก็ต้องมีเจตนาในการเคลื่อนเมื่อไม่มีจิตตนาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการไปแก้ความเคยชินเพราะความเคยชินมันไม่ได้เกิดใจากเจตนาแต่เป็นความเคยชินเนาะคราวนี้เมื่อเราเจะหนาปุ๊บในใจก็จะรับรู้ได้มันก็กลายเความรู้สึกตขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเรารู้เฉ ย, ยๆก็พอไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรเยอะเนาะทำแบบง่ายๆสบายๆนี่แหละนะต่อมานะท่านทนก็บอกว่าไม่ห้ามความคิดนะ เพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่ในสติปัฏฐานในข้อจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานก็จะมีอีกนะบอกว่าจิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตมีโทสะก็รู้่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้วมีโมหะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะก็คือให้รู้จิตตามความเป็นจริงตามอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรเขานะแล้วท่านก็ไม่ได้ไปบอกว่าต้องต้องห้ามเขานะ จิตม um, ha ีราคะก็ไปห้ามอย่ามีราคะจิตมีโทสะก็ห้ามอย่ามีโทสะจิตมีโมหะก็ห้ามว่าไม่ให้มีโมหะแต่ท่านให้รู้ความจริงท <|ja|>> ่านในขณะนี <k k <k ้จิตมีอะไรเกิดขึ Dave> ้นก็ให nope. ้รู้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นนี่ก็คือเข้าเนื่องในเรื่องจิตแล้วเราก็รู้ว่าเออขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นเท่านั้นเองเราก็ไม่ไปห้ามความคิดนะมันก็ตรงวิธีหลบันเทียเลยว่าไม่ห้ามความคิดใช่ไหมมีความคิดก็ไม่เป็นไรเราก็มีความคิดเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปให้ค่าเขาไม่ไปช่วยเขาคิดต่อเเท่านนั้อง เ <ygen ate krit> มือ่อรู้ว่ามีความคิดก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ความคิดก็ดับไปถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยเข้าไปในความคิดก็คือเราเป็นผู้คิดเป็นผู้เข้าไปในความคิดมันจะกลายเป็นเราเห็นความคิดการที่เราเข้าไปในความคิดเห็นความคิดมันต่างกันเพราะการที่เราเข้าไปความคิดนั่นแหละเข้าไปในความคิดมันจะกลายว่าเราไหลเข้าไปในความคิดบางทีเราคิดต้องไหลเรื่องเรายังไม่รู้เลยแต่เมื่อเรากลับมาเห็นความคิดปุ๊บความคิดก็จะดับไปมันจะหยุดนะการเห็นนี่มันสําคัญมากเห็นปุ๊บมันหยุดทันทีนะ มันก็ตอนนี้เรารู้ว่าเรานั่งปุ๊บมันจะหยุดความคิดได้เลยนะหรือตอนนี้เรารู้ว่าขนาดนี้รังยกมือปุ๊บมันจะหยุดความคิดได้ทันทีเพราะนี่แหละคือสภาวะแห่งการรู้สึกตัวมันจะไปดับในสภาวะอื่นที่มันเป็นความหลงได้เพราะความคิดคือความหลงเนาะน mm. ะก็คือเราก็ไม่ห้ามความคิดก็คือมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปความโกรธเราก็ไม่ห้ามเหมือนกันความโกรธเกิดมาแล้วก็รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะความโกรธก็ถ้ามีพลังโคตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ไปหายไป เขาก็น้อยลงคือทุท่โลมนะมันเป็นตัวหลงมาเลยเมื่อมีความรู้นั่นแหละกูเป็นกูสุลธรรมสิ่งที่เป็นความโกรธก็เป็นอะุศลนะเมื่อมีกุสลธรรมเกิดขึ้นอุบสนก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะเพียงแต่เรารู้ก็เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรเข้าหรอกรู้เฉยๆนี่นะดับไปเลยนะตัวเนี้มันสําคัญมากมันจะเป็นตัดตัดความทุกข์ในใจของเราอย่างแน่นอนนะเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าความทุกข์ในใจเรานะมีเยอะใช่ไหม แต่ถ้าเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนะความทุกข์ในใจเราจะน้อยลงจริงๆแล้วกิเลสเราไม่ได้ไปคอยละนะเราละกิเลสไม่ได้เราเพราะกิเลสเขาเป็นของที่เรียกว่าเขามาเองแล้วเขาไปเองนะเหมือนกับที่เราอ่าที่เมื่อไม่เมื่อวานเย็นนี่ที่ได้ฟังหลวงมาคำเขียนนะท่านก็บอกว่าอ่มีคนมาบอกว่าเหมือนกับมีกิเลสอะไรเนี่ยท่านบอกว่านั่นแหละมันเหมือนกับว่ากิเลสก็เหมือนกับอ่าเหมือนกับสุนัขมหาห่าอุชางนะสุนัขมหาห่าอุชางน่ยท่านบอว่าทํำไมปฏิบัติธรรมแล้วมีกิเลสน่ย แต่มาท่านบอกว่ากิเลส ก, ก็คือเหมือนสุนัขมาเห่าช้างนะเพราะเห่าช้างเราก็ไม่หวั่นไหวมันก็เห่าไปเช่นนั้นเองก็คือมันก็เกิดขึ้นเช่นนั้นเองแล้วเราไปห้ามสุนัขเห่าไม่ได้นะนะเพียงแต่เราก็รู้ทันว่าเ อ, อขณะนี้มันมาเห่าเราเท่านั้นเองนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ไหมเนี่ยแต่ <c oughs> มาเพราะนั้นเราเราจรึงเข้าใจเลยว่าเออจริ ง, รงๆแล้วเราไม่ได้ไปคอยละ ก, กิเลสนะเพราะเราจะไปห้ามหมาเหา่ามันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมมันก็เห่าตามหน้าที่มันเพราะนั้น กิเลส ท, ทั้งหลายแหละเรารู้ทันมันไปบ่อยๆนะขณะนี้เราโกรธเรารู้รู้เฉยๆมันก็ค่อยๆดับไปเบาไปก็รู้บ่อยๆนะรู้ทันอารมณ์บ่อยๆความโลภเกิดขึ้นก็รู้บ่อยความโกรธเกิดขึ้นก็รู้บ่อยความหลงเกิดขึ้นก็รู้บ่อยๆก็ ร, รู้บ่อยเนี่ยทำให้เขาน้อยลงเขาห่างไปแล้วเขาก็จะเบาลงแล้วเขาจะอาจจะหมดไปได้เนาะเหมือนกับเรามีน้าเน่านะเราไม่ได้ปคอยอทําให้น้าเน่าหมดไปหรอกแล้วก็เติมน้ําดีไปเยอะๆน้าเน่าก็จะน้อยไปเองนะในสุดกบดไปก็คือตรงเนี้แล้วก็ กลับมารู้บ่อยๆเขจะน้อยไปเองเ <c oughs> นาะเขานี้หลังถึงไม่ห้ามความคิดแล้วเราก็ให้ไปฏิบัติต่อเนื่องกั็ไปลูกโซ่นะตรงนี้มันเป็นความสําคัญอย่างหนึ่งว่าการเจริญสตินี้มันจะต้องให้ไปลูกโซ่ออย่างพระอาจารย์เบสารตอนให้ไปอยู่กับหลวงพเทียนใหม่ๆก็ถามว่าผมจะบัดเวลาไหนมัน่งครับหลวงพเทียนบอกว่าให้ไปบัตดตั้งแต่ตื่นนอนหนึ่งเข้านอนเลยนะก็คือตื่นนอนนะเราก็เริ่มเริ่มทํา ก็คือเริ่มให้รู้สึกตัวเลยนะถ้าใครให้ดีก็ตื่นปุ๊บอย่าเพิ่งลุกขึ้นนะตูดูขนาดนี้รู้สึกตัวไหมใช่ไหมถ้ารู้สึกตัวเราใหยลุกถ้าไม่ลูกตัวตัวก็อาจจะขยับเขยื้อนนิดนิดหน่อยหให้รู้สึกตัวพอหลังยังรู้สึกตัวแล้วเราก็เริ่มเดินเริ่มรู้แล้วอตอนนี้เท้าขยับเดินละไปห้องน้ําอุจจาระปัสสาวะก็ให้รู้แปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําให้รู้แนละ้วกลับมาพับผมก็รู้นี่แหละถ้าเราเริ่มต้นได้อย่างนี้มันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะแต่่่ก็ไไมมต้ออองงปประคันยู รู้สึกตัวตลอดเวลานั่นมันก็กลายเป็นไปเพ่งไปจ้องนี่ก็คืออาจจะรู้เป็นบางขณะก็ไม่เป็นไรรู้เสร็จแล้วกลับมารู้ใหม่นะเออมันเผลอไปแล้วไม่เป็นไรกลับมารู้ใหม่ไม่ไปโทษตัวเองนะเพราะการที่มันมันเผลอไปเรื่องธรรมดาทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ฝึกมารุ้ยบ่อย น, ะนั่นเอง น, นะกลับมารุ้ยบ่อยนี่นแหละจิตไม่ได้ตื่นเนาะมันจะเริ่มกลับมาได้เร็วขึ้นล้เมื่อก่อนเราจะเผลอไปนานนะแต่ตอนหลังเมื่อเรารู้บ่อยแล้วมันจะเริ่มรู้ได้ถีขึ้นนะก็คือตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลย ทมากก็คืออีบทย่อยอีบทใหญ่ต่างๆนะแล้วก็เดินจงกรมสร้างยังหวะอันนี้ก็คืออีบทหลักอยู่แล้วนะส่วนบดย่อยต่างๆนี่เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกรู้ไปเรื่อยทานอาหารเดินไปห้องน้ำบุญเจรละปัสสาวะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวทั้งหลายแหล่ก็ตามรู้ไปนะในชีวิประจำวันเรามันจะได้เป็นการที่เรียกว่ามันมันเร็วนะมันมืนก็เราเราเราสีไฟนะเราใช้ไม้มาสีกัน สีแล้วก็หยุดสีแล้วก็หยุดมันก็ไม่เกิดไฟแต่เราสีต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็เกิดไฟนะมันก็ทําให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะตรงนี้มันก็สามารถที่ว่าเราเราจะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนนะว่าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมาคือมันจะเปลี่ยนจากความหลงมาเป็นความรู้ได้บ่อยๆคือมันมันจะเปลี่ยนนิสัยนิสัยจากความเคยชินนะกลับมาเป็นเป็นรู้นะเปลี่ยนจากความเคยชินมาเป็นเจตนานะมันจะกลายเป็นว่าเปลี่ยนหลงมาเป็นรู้ได้บ่อยๆเพราะมันเปลี่ยนได้ระยะหนึ่งแล้วมัน มันจะเริ่มเข้าไปซึมภายในนะเขาเรียกมันไปจะเข้าเนื้อนะพอเข้าเนื้อมันจะค่อยๆรู้ได้เองนีมันจะค่อยๆให้เรารู้สึกตัวได้ได้โดยตัวมันเองเนาะแต่กต็ต้องอาศัยการทำให้บ่อยนะตอนหลังอ่าต่อมาหลวงพ่เทียงบอกว่านะอย่าอยู่นิ่งนะเพราะการที่เราจะรู้ตอนเริ่มลูกโซ่อ่าเด็บตอนเริ่มลูกโซ่ในมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือโซ่เนี่ยมันจะเป็นเป็นข้อๆนะมันจะไม่ได้ยาวๆไม่ได้ยาวเป็นเหล็กเส้น เนี่ยเพราะนั้นการที่เรารู้นี่ก็คือรู้เป็นสั้นๆก็พอรู้ก็คือรู้แล้วก็เผอได้รู้แล้วก็เผอได้เพราะนั้นเมื่อเราไม่ไปเพ่งไม่จ้องก็จะรู้แล้วก็เผอมันก็จะเป็นเป็นข้อสั้นๆเองมันจะไม่ยาวนะหลมงพ่อคำเขียนก็บอกว่าให้รู้สั้นๆนะก็คือรู้เนี่ยก็คือรู้แล้วไม่ต้องไปประคองมันไม่ต้องไปประคองตัวรู้รู้แล้วก็เผอแล้วก็กลับมารู้ใหม่เนี่ยเป็นรู้สั้นๆเนาะแต่ถ้าเราไปรู้ยาวๆเป็นเล็ดเส้นนั้นก็ก็ไม่ถูกนะนั่นคือการเบียปเพ่งไม่จ้องไปคอยประคองตัวรู้เนาะต ก็คือเมื่อเราจะรู้ตรงนี้หลวมา่อเทวบอกว่าอย่าอยู่นิ่งนะก็คือใหม่ๆนี่เราต้องมาอย่าอยู่นิ่งก่อนก็คือให้มีฐานกายเป็นหลักในการเคลื่อนกันไหวใช่ไหมแล้วเราก็อย่าอยู่นิ่งก็คือเราก็ยกมือสร้างย่างวะเดินยังกลมนี่ก็คือไม่อยู่นิ่งนะมาหรือบางทีเรานั่งแล้วบางทีอาจจะมีบท ย, ย, ย่อยๆบางทีเราเมื่อยล้วก็จะพลิกมือคว่ำมือหงายหรื อ, อคลึงนิ้วกระดิกนนิ้วันนี้ก็คืออย่าอยู่นิ่งเหมือนกัน นะเราก็อาศัยบทย่อยต่างๆเนี่ยประคองในการที่มันจะรู้ในการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆทั้งวันนะมันก็คือถ้าเรามีการเคลื่อนไหวมันก็มันก็ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะอาจจะ ก, กวาดบ้านถูพื้นนะล้างจานที่เราไปช่วยเช้าๆนะหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันก็คือไม่อยู่นิ่งนะตรงนี้มันจะทําให้เรารู้สึกตัวได้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราอยู่นิ่งเรานั่งเฉยๆมันจะเกิดสองสภาวะเกิดขึ้นก็คือ เมื่อนั่งนิ่งๆปุ๊บความคิดจะเริ่มทํางานทันทีแล้นะมันจะเปลี่ยนจากไอ้ไอ้รู้นะไปเป็นหลงง่ายๆเพราะว่าเมื่อเรากายเราหยุดปั๊บเนี่ยความคิดมันจะเริ่มทํางานนะมันก็จะคิดเรื่องนู้นไปเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะหรือไม่ก็มันก็จะกายทาทําให้จิตสงบไปเลยนะเพราะฉะนนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่อยู่นิ่งมันก็สามารถที่จะออกจากความหลงได้เร็วขึ้นเนาะนะครัวนี้ ต่อมาหลวงประเท่งก็บอกว่าอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะก็คือส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติกันเนี่ยมันก็มีความอยากกันเป็นส่วนใหญ่ก็คืออยากได้ผลรวดเร็วอยากได้ผลไวๆอยากที่จะบระรลุธรรมนะตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ว่าใครๆก็ต้องการนงนี้ก็ไม่เป็นเรื่องผิดนะแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องตั้งใจอย่างหนึ่งว่า เ, ออเราก็ทําทําไปนะแต่ว่าถ้าเราไม่หวังผลนี่มันก็จะดีกว่าเพราะาถ้าเราปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเราก็จะมีความทุกข์ เพราะฉะนั sea, s, ้นเราก็ทําไปตามตามที่เราคล้ายๆว่าทําในฉันทะนั่นแหละใช่ไหมก็คือทําไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปอยากได้อะไรทําด้วยความพอใจเหมือนกับเราลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้หวังว่ามันต้องออกดอกเร็วๆก็คือลดน้ําไปทุกวันทุกวันมันก็ออกดอกในหลังแต่เราลดบุหราเมื่อไหร่จะออกดอกเมื่อไหร่ออกดอกนะอันนั้นเป็นความหวังเราจะมีความทุกข์ใช่ไหมเราก็มีหน้าที่ลดน้ําไปเฉยๆแล้วหลังนั้นเขาจะออกดอกหรือไม่ออกดอกก็ไม่เป็นไรนะส่วนประเภทอีกอย่าหนึ่งคือ ปฏิบัติเข้มนะหรือเก็บลมเข้มทั้งหลายแหล่นี่แหละส่วนมากหวังผลมากนะพอทําระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำไมยังเผลออยู่เยอะทำไมยังไม่รู้สึกตัวเนี่ยอันนี้บางทีจะเริ่มไปเพ่งไปจ้องแล้วนะก็คือรู้สึกว่าปฏิบัติเข้มนี่ก็หมายความว่าต้องทําให้เข้มจริงๆก็คือต้องทําจริงๆทําด้วยความตั้งใจจริงๆทํากลายมันทําด้วยตัณหาก็มีนะตรงนี้ก็ต้องระวังว่าเออทาแล้วมันจะกลายเป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไหมหลวงพ่อเทมก็อยากอยากได้ อยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีก็คือท่านระงับตัณหาเราไนมะ่งั้นเราทําแล้วมันจะเป็นตัณหากันไปมันก็จะกลายว่าเราก็า จ, จะไม่ได้ผลจริงๆกลายเป็นไปไ ป, ประคองตัวรู้นะไปคอยกดข่มเข้านะเราจิตเราก็จะรู้สึกมันไม่ค่อยจะสบายกายไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ทําอย่างที่ครูบาอาจารยนะ์นั้นเราทำท่านก็บอกว่าให้ทําเล่นๆทําไปเรื่อยๆนะก็คือทําเล่นๆก็คือทำไปสบายๆนั่นเองแต่คําว่าสบายๆก็ไม่ทําแบบ นะกลายเป็นว่าปล่อยตามสบายกลายว่าจิตฟุ้งซ่านก็ได้หรือคิดนู่นคิดนี้ก็ได้ก็ทําแบบปกตินั่นแหละแต่ว่าทำไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ไปเพ่งไม่จ้องไม่ต้องไปหวังอะไรเนาะอันนี้เราก็จะอยู่ได้ตลอดนะยิ่งบางคนมีเวลาน้อยนะถ้าไม่มีใครแนะนําส่วนมากก็จะเพ่งกันเกือบจะร้อยเปอร์ซ็นเลยนะเพราะว่าอยากจะได้เร็วๆนะอันนี้มันกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางแต่เราทําไปสบายๆทําเล่นๆทําไปเรื่อยๆไม่ได้ไปหวังอะไรนี่แหละตรงนี้มันมันจะกลายมันมันค่อยค่ พัฒนากันไปเองนะจากบางคนที่เคยไปเพ่งไปจ้องนีพอครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปเพ่งไปจ้องพอรู้ว่าเออวิธีนี้มันอย่าเพ่งไปจ้องก็ทําสบายๆพอทํำสบายใหม่ๆมันก็อาจจะคิดยาวนะคิดยาวแต่ถ้าเราทํำบ่อยๆเนี่ยความคิดยามจะเริ่มสั้นลงมันจะกลายเป็นกลายเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นโดยเราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องเขาเขาจะกลับมาเป็นธรรมชาติก็คือเขาจะรู้ทันความคิดได้โดยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องเขาอันนี้มันจะถูกต้องกว่าที่เราจะไปคอยบังคับให้เขารู้นาน ให้เขาอยู่ในคอนโทรลของเรานะอันนั้นมันมันจะกลายเป็นของปลอมไปนะก็คือมันมันเกิดจากการเราไปบังคับเขานะล้วสติมันจะไม่เกิดจากตัวนั้นจริงๆเพราะนั้นมันคือสมถะเนาะแต่สติจริงๆมันเกิดจากการที่เราบางทีเราเราไม่ไม่ทันไปไปไปไปตั้งใจแต่จริงมันสามารถรู้ได้เองอันนี้เป็นจะเป็นธรรมชาติที่ว่ามันเป็นของจริงเพราะว่ามันจะเริ่มกลายเป็นว่ามันเข้าเนื้อแล้วนะมันจะสามารถรู้ระลึกได้เอง นะมันรู้ว่าขณะนี้กําลังทำอะไรหรือกาลังคิดอะไรมันจะเริ่มสามารถเรียนรู้ดได้ด้วยตัวเองโดยเดาไม่ไปเพง่งไม่จ้องเขานะเพราะนั้นถ้าเราฝึกในการที่เรารู้ตามธรรมชาติเนี่ยรู้ง่ายๆนะไม่เพ่งไม่ไม่เพง่ไไไเพงไม่จ้องก็คือเผลอก็ไม่เป็นไรเผลอก็กลับมารู้ใหม่เผลอกลับมารู้ใหม่เนี่ยมันการฝึกอเป็นการปลุกให้ท่านรู้มันตื่นขึ้นเนาะเพราะเราจริงๆเราเรามีท่านรู้กันทุกคนอยู่แล้วนะเพีย <c> ง <oughs> แต่เราไปเขย่าเขาเท่า น, นั้นเองเขย่าเขาโดยการรู้ในฐานกายนี้แหละ รู้ฐานกายบ่อยๆก็คือเมื่อเราเ <c oughs> ขย่าวฐานกายให้มีการกายเคลื่อนไหวจะรับรู้นี่นี่เป็นการเขยา่าท่านรู้นะเพื่อเราขยายเขยา่าท่านรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะไปเห็นจิตนะเห็นจิตมีความคิดมีความรักความชังแล้วก็ไปเห็นเหมือนที่ครูบาอาจารย์ครับบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะก็คือกลับมาะดูกายมันก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นธรรมนะเราจะสามารถที่จะเห็นธรรมะได้ <c oughs> แล้วก็ ท่านก็บอกว่ากายเขึ้นไหวใจรับรู้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจทําด้วยนะเราก็จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆมันก็จะเป็นหลังนั้นเราก็จะเริ่มเข้าใจในสภาวะจริงๆว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเราไปบังคับเข้าไม่ได้เลยเพียงแต่เรารู้กายรู้ใจไปตามความเป็นจริงเท่า น, นั้นเองเราก็จะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่ว่า ถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้นะมันก็ต้องดีทุกวันนะมะเราไปบัตรแล้วเราเห็นบางวันมันก็ดีนะมาวัยอาจจะดีวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็จะดีหรือมาลืนนี้มันก็ไม่ดีเนี่ยมันเป็นความไม่เที่ยงเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นของจริงนะเราบังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงมีความไม่เที่ยงเราเห็นนะเราก็เห็นความทุกข์ไปบัตรทรมมันก็ต้องเห็นความทุกข์นะเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วเราแก้ทุกตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นความทุกข์ก่อนเราจึงรู้ว่าเราแก้ทุก ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราจะไม่รู้เราแก้ทุกข์นะอย่างเรานั่งเนี่ยมีความทุกข์ใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นยืนเดินเนี่ยอันนี้เป็นการแก้ทุกข์นะการที่เราอ่าเมื่อยเราแก้ทุกข์นะเราหิวเราก็แก้ทุกข์ไปทานอาหารนะเรานอนก็แก้ทุกข์นะจริงๆแล้วทาอะไรทั้งวันมันคือการแก้ทุกข์ทั้งหมดเลยนะแม้แต่เราอาบน้ําก็เป็นการแก้ทุกข์สระผมก็แก้ทุกข์แปรงฟันก็แก้ทุกข์นะคือจริงๆแล้วถ้าเราดูจริงๆแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะ ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้มันจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในขันห้าเรานี่แหละขันห้าก็เรียกว่าเป็นเป็นกองทุกข์นะมันเป็นกองทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าเมื่อกี้เราสวดภาราฮาเวปัญจากขันทานะก็คือคอ่าขันห้านี้อ่าเป็นภาระอ่าเป็นของหนักเน้อพาราฮาโลเจบุโรบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเก ผู้ที s, ่เห็นความทุกนี้ได้ก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจว่าขันห้านี่แหละคือความทุกข์นะเมื่อเราเห็นความทุกข์เราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คือกายคลายกำหนักในร่างกายจิตใจนี้มันก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆวางนะเราก็เห็นอนัตตาที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้บ่อยๆเช่นความคิดนะเดี๋ยวเ้าก็คิดไปจริงๆความคิดนั่นก็ทางานเองนี่เราเห็นง่ายที่สุดเลยนะเราจะเห็นว่าความคิดทํางานเองก็คือจิตใจทํางานเองก็จะได้เห็นว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราได้ชัดเจน ความคิดนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดของเขาตลอดเวลาอยู่แล้วนะแม้แต่เรานอนหลับเขาก็ยังคิดเลยเป็นความฝันต่างๆจําได้มั่งจําไม่ได้มากนะถ้าเราไปเข้าเครื่องตรวจสมองอเป็นหมออยู่แล้วนะไปตัวสมองคนนอนหลับก็ยังมี ข, ขึ้นขึ้นขึ้นลงๆอยู่ใช่ไหมไม่ได้เป็นขึ้นเรียบสนิทนะอันนี้แสดงว่าความคิดก็ตลอดทำงานตลอดเวลา เลยมาเนี่ยจริงๆก็ทํางานอยู่แล้วเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรตรงนี้เราจะเห็นได้เลยเวลาบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาทางานเองจิตใจเขาทางานนั้นเองทุกอย่างนะความโลภความโกรธความหลงก็เกิดเองเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ตัวไม่ตนของเราอย่างที่ว่าเนี่ยหมามันเห่านะเราเป็นช้างเราก็ปล่อยเขาเห่าไปเถอะเราไปห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมกินอะไรก็เหมือนกับหมานั่ยแหละเขาเห็นเราเขาก็เห่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกายและใจอยู่เพราะนั้นกินอะไรก็เกิดได้ เพียงแต่เรารู้ทันไหมใช่ไหมรู้ทันบ่อยๆเขาก็น้อยลงไปเองเราก็ไม่ให้ค่าเขาจะน้อยไปเองนะเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเห็นสภาวะธรรมนี่เราก็เห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจเนี่แหละไม่ตัวไม่ตนของเรานะเมื่อเข้าใจในตรงนี้ก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการคลายกาหนัดนะตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญไม่เกิดนิพพิธายานก็คือความเบื่อความเบื่อในขันหานี้มันก็ไม่อยากที่มาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้เองนะพพบชาติมันจะต้นลงน้อยลง แต่ถ้าใครยังมีความยินดีในในภพชาตินี้มีความพอใจมีความกําหนัดมีความเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงนะต่างๆเหล่านี้ก็กจิตใจเราก็จะเกิดการฟูขึ้นมาโดยกิเลสพ้อมภพชาติก็จะย า, ยาวต่อไปนะมันไม่ได้ครกําหนัดนะเพราะนั้นเมื่อไปบัตธรรมแล้วใจจะต้องเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกาหนัดเราพันภพชาติก็จะสั้นลงสั้นลงนะวัตฏะเราก็สั้นลงเพราะนะแล้วในสุดมันก็จะอาจจะถึงที่สุดอย่างทุกในชาตินี้เนาะ เพราะนั้นการที่เราทำนี่ก็คือเนี่ยเป็นเหตุให้อ่าถ้าเราเข้าใจแล้วนะภพชาเราจะสั้นลงไปความทุกข์นะในวัตตะก็จะน้อยลงไปนะจุงนี้มาก็คือการเริ่มต้นที่ทำให้วัฏฏะสั้นลงไปนั่นเองนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจนี้หนทางนี่เป็นหนทางที่ประเสริฐอยู่ที่ว่าเราจะเดินหรือไม่เท่านั้นเองนะถ้าใครเดินก็สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะเหมือนกับทานอาหารนะ <c oughs> ครูบาอาจารย์ให้เอาอาหารมาตั้งตรงหน้าแล้ว ครบาจะบออาหารนี่ดีนะทานรา้วจะอิ่มอยู่ที่ว่าเราจะทานหรือไม่เท่านั้นเองนะถ้าเราทานเราก็อิ่มถ้าเราไม่ทานก็ไม่อิ่มแต่พอนตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะพิจารณาดูในการที่เรามาในครั้งนี้ว่าเราได้ทําตรงนี้ได้เต็มที่ไหมนะหรือว่าจะนําไปปฏิบัต่อไหมนะถ้าเราไ ป, ปบัตรแล้วเราอยู่แค่นี้นะมันก็จบในแค่นี้เราก็ไม่ได้ไปต่อยอดความที่เราจะได้ประโยชน์มันก็น้อยลงเหมือนกับเราเรียนคอมพิวเตอร์นะถ้าเราไม่ได้กลับมาฝึกนะเดือนเดี๋ยวก็ลืมหมดหายไปหมดแล้วนะ เพราะงั้นการที่เราอยู่เนี่ยนะหวัน7วันนี่มันเป็นสิ่งที่หายแน่นอนนะั้นเราก็นําไปต่อยอดก็คือนําไป อ, อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปทําต่อแล้วทาต่อมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยนะแค่เราเดินรู้สึกตัวมันก็เป็นการทําแล้วใช่ไหมเราทํานู่นทํานี่เคลื่อนไหวกายแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำรู้สึกตัวก็เป็นการทําแล้วนะมันอาอยู่ในชุดประจำมาเราอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องอยากอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าอย่าทิ้งไว้ตรงนี้มันก็คือคอส ต, ตลอดชีวิตของเรานะการจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์มันก็เริ เมื่อมีก้าวแลกก็จะมี9้าต่อไปแล้วถึงกาสุดท้ายนะเพราะในในินท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออาราธนาของคุณของท่านให้เจริญให้พวกเราเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยพันทุกท่านเทอญ